สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับี่เทศการทำและศัศนาชีวิตนะครับผมวสินินทัศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนี่เป็นวันอังคารที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพัน้ารอย 2นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องมาหาสุบินชาตกหรือว่าพุทธพยากรณ์เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์กับพระเจ้าประสทธิโกศนความฝันนะครับของพระเจ้าประสิทธิโกศเมื่อวานนี้ก็ คุยกับท่านผูกฟัง ม, มาถึงข้อสนะครับข้อที่สผ่านไปแล้วกรณีกมาลถึงความฟันข้อที่สว่าคนทั้งหลายไม่เตรียมไทโคใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยกําลังแต่เทียมไทยลูกโคล ร, รุ่นรุ่ น, นทีนี้ลูกโคล ร, รุนรุ่นก็พากันสลัดแอด ยืนเฉยเสียอันนี้เป็นความฝันให้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในภายหน้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองท่านก็ใช้คําว่าพระราชานั่นแหละเอไม่ให้ยศแก่ผู้ที่เป็นบัณฑิตแต่ว่ากลับให้ยศให้ความเป็นใหญ่แก่คนหนุ่มหนุมเด็กเดก ที่พวกเขาก็ไม่ทำกิตให้รู้ล่วงไปได้จึงทอดธุระเสียจึงทอดทุระเสียอันนี้ก็ไม่ทราบว่ า, าเป็นมาตลอดการเวลา น, านานยาวนานเท่าไหร่แล้วหรือว่าจะมีเมื่อไส่หรือว่า บางสมัยก็เป็นเช่นนี้บางสมัยก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าพระพุทธเจ้ <c oughs> ตาตั้มกรรมยากรนี้ก็ไม่ไม่ได้กําหนดเป็นลาเป็นในเพีงว่าต่อไปภายหน้าเมื่อพระราชาไม่ตังอยู่ในธรรมหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่ตังอยู่ในธรรมก็แปลว่าอให้ตําแหน่งแก่คนที่ไม่ควรจะได้ ว่าปลดคนที่ควรจะได้ออกไปหมดแ่ที่นี้คนที่เป็นบัณฑิตแท้จริงก็ก็จะไม่ไม่ไปไปจบสอพรอหรืออะไรที่จะให้ได้ยศได้ตาแหน่งอะไรนี่ถ้าเผื่อว่าต้องการจะได้ยศได้ตาแหน่งแก่ผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นธรรมหรือว่า ไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่ประพฤติธรรมก็ต้องประจบซอบรออย่างนี้ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แต่ก็ก็อยู่คนที่เป็นผู้ที่มีความรู้จริงๆแล้วก็มีความสามารถจริงๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆ แล้วก็มีดีจริงๆแต่เขาก็ไม่อยากที่จะไปทําอย่างนั้นหรือ <c oughs> ว่าาเลี้ยงก็เลี้ยงเอาไม่เลี้ยงก็แล้วไปไม่เลี้ยงก็แล้วไปออย่างนี้ก็แล้วแต่่ท่านทั้งหลายก็คิดได้เรื่องปวกนี้ว่าควรจะเป็นอย่างไรควรจะทําอย่างไรถ้าผู้ใหญ่หรือว่าผู้เป็นใหญ่ใน แผ่นดินหรือในหน่วยงานนั้นๆชอบแต่คนประจบสอบรอไม่ไม่ไม่ชอบหรือว่าไม่โปรดคนที่ประจบด้วยการทำงานประจบด้วยการงานมันก็ก็ลำบากสำหรับที่นั่นแหละก็จะเกิดความลำบากขึ้นเองในภายหลังอันนี้ก็พูด แถมเข้าไปนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ที่นี้อยากจะเสนอให้ท่าน <c oughs> อยากจะเสนอให้ท่านลองอ่านท่านโดยเฉพาะจริงท่านที่เป็นข้าราชการลองอ่านราชสวัสดีธรรมเฉพาะเรื่องว่าธรรมของข้าราชการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณสมบัติทั่วไปแต่ว่ามีเยอะนะครับมีเยอะ ราชสวัสดีธรรมซึ่งปรากฏในวิธุราชาตกวิจุราชาตกประเศตวรรษที่ยี่สิแปดเนี่ยนะฮะมีเจอะราชสวัสดีธรรมท่านใช้คำวราชสวัสดีธรรมแปลว่ า, าธรรมของข้าราชการแต่ผมจะผผมผมบันทึกเอาไว้เฉพาะเฉพาะส่วนที่เป็นคุณสมบัติทั่วไป ไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะที่จะปฏิบัติต่อพระราชาอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นคุณสมบัติทั่วไปที่จะพึงมีอย่งเช่นตัวอย่างเยยาว่าพึงเลี้ยงมารดาปิดาอันนี้ในข้าราชาการพึงเลี้ยงมารดาปิดาพเพื่อพึ่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลมีวิจาร อ, อนหวานมีวินัยดีมีศิลปะพึ่งพ้นตนแล้ว ทำประโยชน์ได้เป็นผู้มั่นคงแน่วแน่นิยตุเป็นผู้มั่นค ง, นนน เ, ปนนงเป็นผู้อ่อนโยนไม่ประมาทเป็นคนสะอาดเป็นคนขยันอ่อนน้อมเคารพยำเกรงผู้ใหญ่สงบสงเงีม่มเป็นสุขสบายแก่ผู้อยู่ร่วมรปอว่าใครอยู่อยู่ด้วยก็มีความสุขสุขสังวาสโสมีการอยู่ด้วยเป็นสุขเพราะเขาเป็นนักปราชญ์ที่รจะสุขสังวาสโ นี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับทูตที่เขาส่งมาเกี่ยวกับความลับอันนี้เพื่อไม่ให้เป็นที่เราแหวงของพระราชหึงแลตูแต่เจ้านายของตนไม่ควรพูดความลับในส่วนราชการอื่นคือว่าความลับของส่วนราชการอื่นก็เป็นเรื่องของส่วนราชการอื่นไม่ไม่ควรจะนำเอามาพูดในที่สาธารณะ พึงเข้าหาสมาคมกับสมณพรามผู้มีศีลผู้เป็นพระอุสรโดยเคารพพึงสมาทานศีลโดยเคารพพึงบำรุงเลี้ยงสมณพรามผู้มีศีลโดยเคารพไม่พึงทำทานที่ท่านเคยให้ให้เสื่อมไปไม่ควรห้ามวันิพกที่เข้ามารับพระราชทานวณ น, นิพกนี่คือค น, คนเจ็บป่วยคนขอทานที่เป็นคนพิการ ไม่ควรน้ำวนี่พกที่เข้ามารับพระราชทานเพิงเป็นผู้มีปัญญาสมบูรณ์ด้วยความรู้ฉลาดในวิธีจัดรัชกิจรู้จักการรู้จักสมัยเป็นคนขยันมั่นเพียรไม่ประมาทมีปัญญาเฉียบคมจัดการงานดีอันนี้ก็ผมเก็บเอามาเฉพาะส่วนยี่สิบสามข้อนะฮะเฉพาะส่วนที่ไม่ เป็นคุณสมบัติทั่วไปไม่เกี่ยวที่จะต้องต้องปฏิบัติกับพระราชาต่อพระราชาโดยตรงอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อแทรกเข้ามาให้เพื่อจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นทีนี้ก็ข้อที่ห้าครับต่อมาถึงข้อที่5ว่าม้าตัวหนึ่งมีปาก2องค้าง คนทั้งหลายให้ยาแก่มานั้นทางปากทั้งสองข้างของมันนี่เป็นความฝันพระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในภายหน้าเมื่อพระราชาไม่ตังอยู่ในธรรมผู้พิพักษษาวินิจฉัยคดีจักรับสินบนจากคนทั้งสองฝ่ายคือทั้งจากโจทและจากจำเลยทั้งจากโจทและจากจำเลย <c oughs> ผู้ไภพักษาผู้วินิจฉัยคดีเป็นอย่างนี้นะครับก็ตายหมดแต่ว่าแยกกันไปหมดทั้งฝ่ายโจทย์ทั้งฝ่ายจำเลยก็ ร, รับสินบทแ่แค่รับข้างเดียวก็แย่อยู่แล้วอันนี้รับทั้งสองฝ่ายรับจัาทั้งฝ่ายโจทย์แล้วฝ่ายจำเลยพูดถึงเรื่องโจทย์เวลานี้มีปัญหาคลึกโครมอยู่ในสังคมของเรา ถกเถียงกันมากมายเมื่อวานนี้ก็ผมไปสอนหนังสือแล้วก็เวลาพักก็มีพระท่านกำลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องนี้แล้วก็ถามผมด้วยว่าคารวานะโจทย์พระได้หรือเปล่าค <c oughs> ารวะาโจทย์พระได้หรือเปล่า <c oughs> ก็ถ้าตามตามวินัยอ่นะครับเมา่อตามวินัยนี่คือว่าเป็นเป็นนั่นได้เป็นเป็นเป็นผู้กล่าวหาได้เป็นผู้กล่าวหาได้เป็นพยานได้แต่ว่าเป็นโจทย์ตรงๆนี่ไม่ได้แต่ว่าจะเป็นโจทย์มันต้องมีพระเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้โจทย์ ต้องให้พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้โจทย์แล้วก็คารวาดก็เป็นพยานได้เป็นผู้กล่าวหาได้อันนี้ก็ชัดเจนนะครับถ้าถามเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคารวาดนี้ไม่มีอาบัตินะครับแต่พ ร, พระนี้ท่านมีอาบัติผมยกตัวอย่างเช่นในายกอนายกอไปโจทย์พระคอ ว่าเป็นอาบัติราชิกถ้า ถ, ถ้าสืบไปสืบมาแล้วพระก่อไม่ได้เป็นปราชิกปรากฏว่าพระก่อบริสุทธิ์จะนายกอหรือพระกอตะกี้เอานายกอนายกอนายกอไปโจทย์พระขอว่าเป็นอบัติいいราชิกีน้ถ้าสืบไปสืบมาก็พระขอไม่ได้เป็นอาบัดติราชิกแปลว่าบริสุทธิ์ทีนี้นายกอก็ เขาไม่เป็นอะไรนายก็เขาเป็นชาว บ, บ้านเนี่ยก็ไม่มีอาบัติไม่เป็นอาบาัติพระก็จะฟ้องกลับก็ฟ้องไม่ได้เดี๋ยวผมจะขอพูดช้าๆหน่อยนะครับคราวนี้ถ้าเป็นพระฟ้องเนี่ยเป็นพระฟ้องเนี่ยพระท่านจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายรอบสมมติว่าเราเห็นพระ พระขอเนี่ยทําอะไรถึงขั้นอาบัติประราชิกเนี่ยสมมติแล้วก็ไปบอกพระขอพระรูปหนึ่งให้ให้ทราบแล้วพระองค์นี้จะฟ้องเนี่ยท่านอย่งคิดมากเพราะว่าถ้าเผื่อสืบแล้วไม่มีมูลที่จะเชื่อถือได้แปล ว, ว่าพระขอบริสุทธิ์เนี่ยเ อ, อพระขอต้องอาบัติสังกาทิเสษ พะภิกษุใดฟ้องภิกษุด้วยอาบัติราชิกถ้าไม่มีมูลตัวเองจะเป็นอาบัตสังคาทิเศตถ้าชดถ้าโจดถ้าโจ์ด้วยอาบัตสังคาทิเศอว่าภิกษุรูปนั้นเป็นอาบัติสังคาทิเศตตัวเองจะเป็นอาบัตปาจิตตีคือตัวเองเป็นอาบัติด้วยถ้าเผื่อว่าสืบไปสืบมาแล้วไม่มีมูลหรือว่า ไม่เป็นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นทางวินัยท่านจึงให้ให้พระเนี่ยฟ้องเพราะว่าท่านจะต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะท่านก็เข้าตัวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกลาวาสเนี่ยถ้าปรากฏว่าสืบแล้วไม่เป็นความจริงก็ดูเหมือนว่าจะแล้วกันไปจะ แ, แล้วกันไปจะฟ้องกลับ ในข้อหาหมินประมาทหรืออะไรนี่อก็ทําได้ถ้าจะทําก็ทําได้แต่ว่าโดยธรรมเนียมของภิกษุท่านจะไม่ทํากันคือท่านจะไม่ฟอ้องคารืหัดโดยธรรมเนียมของภิกษุผมจะอ่านวินัยให้ฟังนะครับอ่านวินัยให้ฟังของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชิรยานวโรธวินัยมุกนครับ จากวินัยมุกเลีมสองเป็นธรรมเนียมของภิกษุไม่โจทฟ้องความขัดแย้งในศาลเป็นธรรมเนียมของภิกษุไม่เป็นโจทฟ้องความคัดแย้งในศาลนี้เนื่องมาแต่พระบัญญัติห้ามภิกษุณีวางโทษถึงสังฆาธิเศษเคยท้าภิกษุณีนั่นเป็นอบัติสังฆาธิเสษ ถ้ า, าฟ้องใครคลองค้องคาริหัสจนถึงถึงโลง่งถึงศาสตร์นะครับความไม่พอใจเป็นท้อยความกับเขาเป็นเรื่องดีไม่ความว่าเป็นเรื่องดีสมควรแก่สมณะผู้อยู่สงบแต่ความเข้าใจของพระอาจารย์ทั้งหลายในชั้นหลังแรงเกินไปจนถึงมีผู้หนึ่งมาข่มเอง นำความไปบอกเจ้าหน้าที่ระบุชื่อผู้ทาเพื่อขอความป้องกันก็ไม่ได้ท่านเรียกว่าขออารักษาเจาะชื่อหากเจ้าหน้าที่ลงโทษปรับผู้ทาผิดท่านปรับภิกษุผู้บอกเป็นพันธะไทยคำว่าพันธะไทยนี่หมายความว่าจะต้องใช้ทรัพย์ที่เขาเสียไป ทีนี้ถ้าภิกษุนั่นฟ้องขอให้เขาปรับค่าเสียหายด้วยและเขาทำตามท่านปรับภิกษุถึงประราชิกแรงมากเลยอันนี้นีในข้อความในอัจฉริยนะครับสมเด็จพระหาสมณเจา้าท่านก็ทรงเห็นว่ารุนแรงเกินไปในเรื่องนี้แรงกว่าต้นบัญญัติแห่งภิกษุณีเสียีท่านยอมเพียงให้บอกไม่ระบุชื่อเรียกว่าขออารักขาไม่เจาะชื่อ หากเจ้าหน้าที่ลงโทษปรับผู้ทาผิดหรือแม้เอาของที่หายไปคืนมาได้ด้วยมาให้ด้วยท่านไม่เอาโทษแกภิกษุทั้งให้รับของคืนได้ด้วยเนี่ย <c oughs> ขอค่อนข้างยาวนะครับผมผ่านไปผ่านไป ย่นใจความคำที่กล่าวมาว่าปกติของภิกษุไม่พอใจเป็นท้อยเป็นความกับใครๆไม่แสหาสาเหตุเล็กน้อยเป็นเครื่องปลูกคดีขึ้นพอจะอดได้นิ่งได้ก็อดก็นิ่งแต่เมื่อถึงข่าวจําเป็นคือถูกคนอื่นฟ้องก็เป็นจําเลยว่าความเพื่อเปลืองตนได้ เมื่อถูกคนอื่นข่มเหงเหรืออดเหลือทนก็บอกขออารักขาขออารักฐานี่คือไปบอกเจ้าหน้าที่เอาไว้ว่าถูกปองร้ายแม้จะเจาะชื่อก็ได้หรือถูกทําร้ายแต่ไม่รู้ว่าใครทําจะบอกให้ถ้อยคําไว้กับเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือของหายแต่ไม่รู้ว่าใครรักจะบอกตราสินไว้แข่เขาก็ได้ ไม่มีโทษเพราะเหตุเหล่านี้เนี่ยครับ <c oughs> คื อ, อ, อข้อความเรื่องของวินัยนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากนะนะครับคือค่อนข้างจะเข้าใจลำบากมาถึงเวลานี้แต่ว่าที่พอจะบอกกันได้ง่ายๆก็คือว่าตามหลักของวินยัยซึ่งรู้กันทั่วไปว่า ฟ้องขราวาดเป็นโจทย์ฟ้องพระไม่ได้ต้องต้องให้พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นโจทย์แล้วก็ขราวาดผู้นั้นจะเก็บข้อมูลเป็นพยานให้ได้เป็นกล่าวหาเป็นผู้กล่าวหาได้ได้แล้วก็ เวลาถูกถูกทำร้ายถูกปองร้ายถูกอะไรตัวอะไรทำเนียมเก่าท่านแพียงแต่ขออักขาคขออักขาเท่านั้นไม่ฟ้องไม่ฟ้องการรือหัตขึ้นโรงขึ้นศาลหรือไม่ฟ้องจนถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดยากนะครับคือสมัยล่วงมานานเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปมาก จิตใจของประชาชนก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปมากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนของคนต่างๆก็เปลี่ยนไปมากจะปฏิบัติวินัยอย่างไรให้เหมาะสมให้พอเหมาะพอควรอย่างไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณากันนะครับผมก็เป็นผู้น้อยแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรมากพอที่จะ วินิจฉัยอะไรให้เด็กขาดลงไปได้เป็นแต่เพียงว่ า, เ, าเมื่อเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาพอจะอร่วมร่วมแสดงความที่เห็นได้บ้างในเรื่องที่กำลังที่เรื่องที่กาลังพูดกันอยู่มากมายเวลานี้ทั่วไปก็เพียงแต่ขอพูดด้วยคดเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยืนยันว่า จะถูกหรือผิดยังไรก็แล้วแต่จะพิจารณากันในรอบคอรอบเพื่อความเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสษธรรมและเพื่อเพื่อความตั้งมั่นแห่งสังฆมนทรเพื่อความอยู่รอดแห่งพุทธศาสนาว่าควรจะทำย่างไรให้เป็นทางสายกลางที่สุดท่าที่จะทาได้คือไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งและที่สาคัญที่สุดคือว่า มีจิตใจตรงนะครับไม่มีอคติไม่มีอค ต, อคติพูดไปโดยใจตรงนะไม่เป็นไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าไม่เอียงอยู่แล้วจะเป็นในเรื่องว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นคือว่าเว้นฉันทาคติอความลำเอียงเพราะชอบโทสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบ พยาคติลำเอียงเพราะกลัวโมหคติลำเอียงเพราะลงเข้าใจผิดหรืออะไรต่างๆตัวนี้นะครับก็จะก็จะได้ความพอดีถ้าเผื่อว่าปลอดจากความลำเอียงแล้วก็จะได้ความพอดีคือยืนอยู่ในที่ที่พอดีพอเหมาะพอควรข้อต่อไปอีกนะครับข้อที่หกข้อที่หกนี่พระเจ้าเปรตทิโกศล ทูนถึงความฝันว่ามีคนเอาถาดทองคําไปให้สุนัขเที่ยวรถพระวิชาทรงพยากรว่าคนมีส ก, กุลยกทิดาให้แก่ผู้ไม่มีส ก, กุลแต่มียศมีอานาจใหญ่อันนี้ก็ผ่านไปนะครับข้อเจ็ดคนหนึ่งฟันเชือกแล้วหย่อนลงไปใกล้เท้าแม่หมาจิ้งจอกนอนอยู่ใต้ตังที่คนนั้น นั่งฟันเชือกกินเชือกนั้นไปเรืเร่อยๆทรงปยากรณนว่าสตรีจะโลเลในปุรุดลุ่มหลงสุรามีไรชอบแต่งตัวเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ไปหาความสุขกับชายอื่นเอาทรัพย์ที่สามีหาได้นะครับไปหาความสุขกับชายอื่นถ้ า, าถ้าเผื่อเป็นทรัพย์ที่ตัวหาได้เองก็เป็นเรื่องของเขานะครับ เป็นเรื่องของของเขาพูดถึงว่าเขาเขาไม่เขาอยู่คนเดียวเป็นโสดหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเขาหาทรัพย์ได้เองอะไรได้เองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์ตามความพอใจของเขาในกรอบของ อ, อกฎหมายและสินธ ร, รัมที่ถูกตอ้ <c oughs> องนี่ก็เ อ, อ, เ อ, อเวลาเวลาจะหมดเส็แล้วครับ พรุงนี้พรงนี้ค่อยต่อเขาแปะเขากาวนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนกันสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีปรินมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเพคุยรายการทําและทัศนะชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟัง วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันประวัสปดีที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับ เ, เรื่องที่คุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องอความฝันของพระเจ้าเ็รตที่โกสลหรือมหาสุบินชาดก ได้คุยกับท่านผู้ฟังมาหลายข้อแล้วนะครับเจ็ดข้อแล้ววันนี้ก็ทามาถึงข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดใจความสำคัญในข้อที่แปดคื ว, ว่าตุ่มน้ำใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวังแล้วก็ <c oughs> ล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมาก ตรงใหญ่นั่นก็มีน้ำเต็มเปียกแต่คนทั้งหลายมาจากทิศทั้งสี่ก็ยังชวนกันเทน้ำใส่ตุกไปที่เต็มนั่นเองให้ล้นแล้วล้นอีกไม่มีใครเหลียวดูตุ่มที่ว่างเปล่าอันนี้เป็นความฟันพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรอนว่า ต่อไปภายหน้าพระราชาทั้งหลายจะอยากจนลงประี่ศร่ำรวยที่สุดก็มีทรัพย์ข้เกียงแสนกษัตรยวแสนกหัรปณะก็เรียกว่ารวยที่สุดแล้วคำว่าพระราชานี่ท่านผู้ฟังต้องหมายรวมถึงผู้ปกครองประเทศนะครับ ว่ในประเทศที่ไม่มีพระราชาหรือว่าพระราชาไม่ได้ปกครองมีรัฐบาลปกครองก็หมายถึงรัฐบาลผู้นํารัฐบาลแล้วก็ เ, เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเกณฑ์ให้ชาวเมืองถูกพืชเขาก็ทำงานางต่างๆเพื่อตนเท่านั้นทำให้ประชาชนเนดือดร้อนเป็นนั้นมาก แต่ว่ายุ่งฉางของประชาชนก็วางเปล่าเหมือนกระตุ่มเปล่าตุ่มเปล่าที่วางล้อมรอบตุ่มใหญ่อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นาคิดนะครับคือถ้าผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรมรัศดรก็นอนเป็นทุกข์ถ้าผู้ปกครองประกอบด้วยธรรมรัษฎรก็เป็นสุข แต่ตามพระพุทธภาษิตที่ว่าสัพพังรัดถังสุ ข, ขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกว่าถ้าพระราชาหรือผู้ปกครองมีธรรมประกอบด้วยธรรราษฎรทั้งปวงก็จะนอนเป็นสุขอาย่เป็นสุขแต่สับปังรัฐถังทุก ข, ขังเสติให้ราษฎรทั้งปวงจะนอนเป็นทุกข อยู่เป็นทุกราชาราชาเจโหติอาธรรมิกูถ้าผู้ปกครองไม่ประกอบเลยทำทีนี้ท่านท่านสามารถจะย่นยอ่อผู้ปกครองลงมาถึงระดับดำดำลงมาก็ได้ผู้ปกครองจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดและทางพระก็เป็น เจ้าคณะจังหวัดนายอำเภอผู้เจ้าคณะอำเภอดำนันเจ้าคณะตำบลแล้วก็ <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าอาวาสผู้ปกครองลงมาตามลําดับว่าถ้ามีธรรมหรือประกอบด้วยธรรมไม่เปียดเปีะะ่ยนอัศดรไม่เปลียดเปี่ยนประชาชนราษฎรก็อยู่เป็นสุข นี้ก็ย่อลงมาอีกให้เหลือในครอบครัวให้เป็นในครอบครัวเพราะในครอบครัวใดที่ผู้นําครอบครัวคือพ่อบ้านหรือแม่เลี้ดเป็นผู้มีธรรมแต่ก็ได้ทำรัษฎรในครอบครัวคือลูกหลานที่มาอยู่อาศัยในครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขนอนเป็นสุขไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องหวัดวันท่านพึง พอบ้านแม่เสือนเป็นคนที่มีน้ำใจต่อลูกหลาน <c oughs> แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานลูกหลานก็อยู่เป็นสุขนอนเป็นสุขแล้วก็รู้สึกรักบ้านคือว่าอยู่ที่บ้านไปไหนมาก็ไปไหนมาไหนก็พอถึงบ้านก็อุทานโอ้ไปที่ไหนก็ไม่สบายเท่ากับที่บ้าน บัานเล็กบ้านใหญ่เลยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าอยู่เป็นสุขคับที่อยู่ได้คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเพือก็ทาอย่างไรให้เขาไม่คับใจให้เขามีจิตใจอยู่สบายมีความเข้าใจกันนี่ผู้ปกครอง <c oughs> อคราวนี้ย่อให้สั้นเข้ามาอีกให้เล็กลงมาอีก ร่างกายของเรานี่เป็นนคร น, นครหนึ่งแต่ละคนก็ามีนครของตัวเองร่างกายของเราเนี่เหมือนนคร น, นครหนึ่งท้ายท่านที่ท่านเรียกว่ากายยนครแล้วก็ผู้ปกครองก็คือพระเจ้าจิตรราชเป็นผู้ปกครองกายเราเป็นพระราชาจิตนั่นเป็นพระราชาพระเจ้าจิตตราช ปกครองกายนาครแล่แต่ละคนก็เป็นพระราช า, ามีจิตเป็นพระเจ้าสิตธราชทรนี้ถ้าจิตดีจิตมีธรรมใจมีธรรมชีวิตก็เป็นสุขชีวิตก็อยู่เป็นสุขแถ้าใจไม่มีธรรมจิตไม่มีธรรมใจไม่มีธรร ม, ม ชีวิตก็อยู่เป็นทุกข์ชีวิตของแต่ละคนก็ว่ า, าประกอบด้วยส่วนสองส่วนคือกายกายกับใจหรือกายและจิตหรือว่ารูปกับนามนีก็ถ้าบางคนที่จิตเขาดีเขาก็ปกครองจิตดีปกครองร่างกายดีรู้จักเลีเ้ยงร่างกาย เลี้ยงร่างกายรู้จักเลี้ยงร่างกายแต่ว่าเหมือนดูแลนคร <c oughs> จะกินอาหารจะอาบน้ำจะแต่งตัวจะทำอะไรกับร่างกายก็ยว่าไม่ถนอมร่างกายเกินไปแต่ก็ไม่ท่ารุนกับร่างกายเกินไปอ <c oughs> พอดีพอดี <c oughs> กินอาหารเหมือนกับกินเหมือนกับใช้น้ำมันหยดเพลา หรือันกเติมน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องให้กับรถยนต์หรือว่าเติมน้ำมันเป็นสินให้กับรถยนต์ให้พอวิ่งไปได้เติมน้ำมันเครื่องให้พอหล่อเลี้ยงไปได้อันนี้ก็เราทุกคนก็เป็นผู้ปกครองตัวเองเป็นผู้ปกครองตัวเอง นักขรกายอัฐินังนักขรังกระตังอัฐินังนักขรังกระตังนักขรกระดูนครกระดูโดอนักขรที่ทําด้วยกระดูกอัฐินังนักขรังกระตังบังสะเลหิบังสะโลหิตะเลปนงังฉาบทาด้วยเนื้อและเลือดบังสะโลหิตะมังสะโลหิตะเลปะนังฉาบทาด้วย เนื้อเลือดเอาเนื้อเลือดมาเป็นเครื่องฉับทากระดูกอกระดูกนี่นะครกระดูกนี่ถ้าไม่มีเนื้อเลือดเป็นเครื่องฉับทามันก็กระดูกน่าเกลียดกระดูกน่าเกลียดมีแต่กระดูกมีแต่โครงกระดูกแต่ถ้าไม่มีโครงกระดูกมันก็อยู่ไม่ได้ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ เหมือนกับเสื้อผ้าที่ไม่มีคนสวมอมันก็จะกองอยู่กับพื้นอลองแล้วเอากระดูกเอาให้หมดอเนื้อเนื้อในร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ติดอยู่กับกระดูกฉับทากระดูกอยู่ห่อหุ้มกระดูกอยู่ทีนี้กล่าวให้สั้นก็นมาว่าถ้าเราทุกคน ปกครองร่างกายและจิตใจให้ดีแต่ละคนแต่ละคน Berlin, ปกครองร่างกายและจิตใจของแต่ละคนให้ดีแล้วก็บ้านบ้านที่ประกอบด้วยคนหลายๆคนก็เป็นบ้านที่ดีหลายๆบ้านเป็นบ้านที่ดีก็เป็นตำบลที่ดีจะเป็นหมูม่บ้านที่ดีเป็นตำบลที่ดีเป็นอำเภอที่ดีเป็นจังหวัดที่ดี แล้วก็หลายหลายจังหวัดรวมกันก็เป็นประเทศที่ดีเห็นไหมหรือว่าส่วนรวมนั่นก็ไปจากส่วนย่อยหลายหลายส่วนย่อยรวมกันก็เป็นส่วนใจมันก็ต้องอาศัยกันอาศัยกันแต่ละคนแต่ละคนให้เป็นคนดีปกครองตัวเองได้ ศาสนาแปลว่าปกครองแปลว่าคำสั่งสอนอย่างหนึ่งแปลว่าปกครองอย่างหเึ่งปกครองก็หมายถึงปกครองตัวเองได้ถ้าคนเราปกครองตัวเองได้ก็ไม่ต้องถูกปกครองเพราะการปกครองที่ดีที่สุดก็คือการไม่ปกครองไม่ต้องปกครองเพราะว่าทุกคนปกครองตัวเองได้ วนนั้นมีคนไปถามไปสัมภาษณ์ถามเรื่องการปกครองเรื่องเศรษฐกิจเขาถามว่าการปกครองที่ดีคือการปกครองอย่างไรก็ตอบไปอย่างนี้แต่ตอบว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการไม่ต้องปกครองเพราะว่าทุกคนปกครองตัวเองได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการปกครองที่เรามีการปกครองเข้มงวดกดขัน เพราะว่าคนปกครองตัวเองไม่ได้ปกครองตัวเองไม่ได้มันต้องให้คนอื่นปกครองแล้วถ้าเพื่อได้คนปกครองที่ดีมันก็ดีไปถ้าได้คนปกครองไม่ดีมันก็มีแต่การกดขี่ข่มเนงขูดรีดอย่างที่เคยเล่าให้ฟังวันก่อนทีว่าถ้าเห็นขุนนางอขุนนางอยากกินแต่เกี๊ยบงาช้างกินข้าวด้วยแต่เกี๊ยบงาช้าง ก็ไปยากร่ได้เลยว่าราษฎรจะยากจดเพราะว่าถ้ากินข้าวโดยตะเกียบงาช้างมันก็ต้องใช้จานหยกเ okay. พอาใช้จานหยกมันก็ต้องอยู่บ้านที่หรูหราอยู่บ้านที่รูหราใช้เสื้อผ้าระคับแพกใช้ยานพาหนะที่ใหญ่โตหรูหราราคบแพกมันมันไปกันหมดอ่ะ ให้ความอยู่ง่ายกินง่ายความสิมพลิซิตี้สิมเพิลไลซ์อะไรนี่มันจะหายไปหายไปแล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาไถ่เยาะไถ่ยานเพื่อเป็นเช่นนั้นปางถ้าคุณนางทำอย่างนั้นหรือว่าคุณนางคุณนางหรือผู้ปกครองบ้านเมืองออออกินกินจู่ดังรู้ราคุ่มเฟย โดยที่สุดไม่ได้กินเหล้าซึ่งไม่ควรกินอยู่แล้วยังไปกินเหล้าในราคาที่แพงอย่างมากรัศดรก็รู้อย่างนี้ก็ก็็รัษฎรก็ต้องจนมันก็โยงมาถึงว่าทางวัดถ้าเผื่ว่าพระรวยชาวบ้านก็ต้องจนเพราะว่าเอาไปจากไหนก็ต้องเอาไปจากชาวบ้านอันนี้ก็ เป็นของแถมนะครับของแถมมาเรีองตุ่มน้ำไปหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวางล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมากะตุ่มใหญ่นั้นมีน้ําเต็มเปียบแต่คนทั้งหลายมาจากทิศทั้งสี่ก็ยังชวนกันเทน้ําใส่ตุ่มไปทิศเต็มนั่นเองให้ล้นแล้วล้นอีกไม่มีใครเหลี้ยวดูตุ่มที่วางเปล่าก็ในสังคมของเราก็มีลักษณะนี้อยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเตักน้ําใส่ตุ่มที่เต็มแล้วเต็มอี ถ้าเทเนื้อหนูไปใส่เนื้อชา้างไปดักน้ำไป ใ, ใส่ตุ่มที่เต็มแล้วเต็มอีกร่นแล้วร่นอีกแต่ว่าตุ่มที่แห้งปากคือที่ดินที่แตกไรแหงอยู่ไม่มีใครหย่นน้าให้อย่างนี้ก็ก็มีให้เห็นอยู่มากมายก็คุยฝันว่าทำอย่างไรสังคมของเราจรึงจะจะเหลี่ยกันลงไปได้ หรือว่าไม่ให้มีคนยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้มีคนร่ำรวยมากเกินไปไม่มีเพดานแต่ว่าร่ำรวยจนไม่มีเพดานของความร่ำรวยก็ทำอย่างไรให้เฉลี่ยภูเขาลงมาในที่ลุ่มบ้างอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็จะอยู่กันเป็นสุขคือว่ามนุษย์ในสังคมเดียวกันนี่ไม่ต้องรวยหรอก ก็พออยู่พอกินด้วยกันทุกคนมันก็อยู่สบา ย, ลย แ, แล้วแต่ว่าแน่นอนเนะี่ยถ้าคนพวกหนึ่งรวยมากมันต้องมีคนยากจนมากกว่าต้องมีคนที่ยากจนมากกว่าแน่นอนแล้วมันก็เดือดร้อนในสังคมที่มีคนยากจนมากก็ต้องเดือดร้อนกนัค่ในทังคอิิเดียท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันแด่ทุกคนนะครับ สังคมอินเดียก็พูดถึงกันอยู่บ่อยมหาราชานี่ร่ำรวยมากพวกมหาราชาก็วบันไดบันไดเพียงแต่บันไดขึ้นคริหาตหรือปราสาทของมหาราชานี่ก็ราคาไม่รู้เท่าไร่แล้วรต่ว่าเอามาเทียบกับบ้านของคนยากจนสักกี่หลังก็ยังไม่ได้ ว่าบ้านของคนยากจนกี่ล้านกี่ล้านก็ยังไปเทียบกับแม่แต่บันไดของมหาราชาก็ยังไม่ได้ <c oughs> ทีนี้มันเมื่อคนยากจนมันก็เป็นภูเขาขึ้นมาค่อยๆสะสมทีละน้อยทีละน้อยมันไม่ได้เฉลี่ยลงมาอันนี้ก็เป็นปัญหาทางสังคมปัญหาสังคมก็ไปจากปัญหาทางจิตใจของคน รือว่าคนไม่ได้สำเนียกรู้ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือจิตใจของคนนั่นเองเราเริ่มต้นไปจากจิตใจนี่แหละจะเป็นอย่างไรก็ต้องเริ่มต้นทางจิตใจครนี้ก็เริ่มมาถึงข้อเก้านะครับข้อเก้าพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ทรงสุ ป, ปินว่าสะบุกรณีลึก ม่ท่าลงโดยรอบพูงสัตว์พากันมากินน้ำาื่สระซึ่งใสสะอาดส่วนน้ำกลางสระซึ่งลึกนั่นกลับคุณมัวกลับคุนมัวพระพุทธเจ้าทรงพยากรณว่าต่อไปภายห น, น้าเพื่อพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเปลี่ยนเปลี่ยนคนในเมืองให ญ, ใหญ่คนทั้งหลายทนไม่ไหวก็จะพากันออกพยม ไปอยู่ชนบทปลายแดนซึ่งอยู่สบายกว่าเมืองให่ใ จ, ใจอลองนึกภาพดูส ะ, ะสะปกครณีใหญ่ลึกแล้วก็มีท่านลงโดยรอบลงได้โดยรอบแต่ในนฝฟงสัตว์ก็พากันมากินน้ำลองนึกดูอะกลางสะมันขุนมัวแต่ว่ารอบรอบสะนั้น กลับใสสะอาดไม่ขุนมัวพากันมากินน้ำริมสระซึ่งใสสะอาดส่วนน้ํากลางสระซึ่งลึกนั้นกลับเป็นขุนมัวจริงๆมันควรจะแต่ความที่ควรจะเป็นก็คือว่าข้างสระริมสระรอบสะมันควรจะขุนมัวเพราะน้ํำสัตว์มันลงกินรอบสระแต่กลางสระมันควรจะใสแต่ไม่เป็นอย่างนั้น จะ ต, ต่อไปภายหน้าก็ในป้านในเมืองใหญ่มันจะเต็มไปด้วยความยุ่งยากยุ่งเยิงลำบากจะชน บ, บทตายแดนเมืองน้อยเมืองเล็กเมืองน้อยต่างจังหวัดชน บ, บทก็ะจะอยู่สบายไม่เดือดร้อนเวลานี้ในเมืองไทยเราก็เมืองใหญ่ๆก็ลดติดกันทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่ไหนก็เดินทางลำบาก มีความยุ่งยากมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อประมาณสักสี่สิบปีก่อนนี่นะครับถอยหลังไปประมาณสักสี่สิบปีก่อนเราใช้คำว่านั่งรถกินลมคนที่มีรถยนต์เนี่ยเขาพอเย็นๆลงมาเขาก็ไปนั่งรถกินลมก็ได้กินนั่งรถกินลมได้เปิดหน้าต่าง เมื่อก่อนนี้รถรถยนต์ที่ติดแหนเกือบจะไม่มีเลยก็ เ, เปิดหน้าต่างแล้วก็ขับไปขับไปในกรุงเทพเนี่ยครับในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ไปยิ่งไปออกไปนอกเมืองสักหน่อยก็เรียกว่าลมอากาศดีครับมลพิษมันไม่มีเอขับรถกินลมได้ด้านนี้ขับไม่ได้กินลมไม่ได้ออกไปจากบ้านก็ต้องเปิด ปิดหน้าต่างถอจกรถแล้วไม่ปิดไม่ได้มันพลูชันมันเยอะถ้าเราตั้งใจบางทีกราตั้งใจจะเปิดหน้าต่างเอาขับรถกินลมบ้างกลับไปกินฝุ่นกินฝวันกินควันกิ น, น, ก น, น, กนอะไรที่ต่างๆอะไรท่านทั้งหลายก็ทราบนะที่อยู่ในกรุงเทพ <c oughs> มันไม่ได้มันทำไม่ได้ <c oughs> ก็เมืองใหญ่ๆก็เหมือนกัน เชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่ขอะครก็คล้ายๆกันเวลานี้แต่ว่าในในประเทศเรื่นๆก็บางประเทศหรือหลายประเทศก็อยู่นคงจะอยู่ในลักษณะเดียวกันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นความฝันเรื่อการพยากรณ์ประการที่เก้านะครับ เวลาเหลืออีกนิดหน่อยพอาี่จะพูดข้อต่อไปก็คงไม่ไม่จบแล้ครับข้อต่อไปข้อสิบผมไม่จบก็ข อ, อหยุดเพียงข้อนี้ก่อนเจี๊ยบสหรับวันนี้ก็ขอหยุดที่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ปรทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ แายการทำและทัศนาชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่ ว, วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสองทุ่มสามสิบห้านาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันหรสี่สิบสองครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ ในตอนนี้ก็คือเรื่องพุทธพยากรณ์หรือหมาหาสุบิน